ศูนย์วัฒนการความรู้ RMT Innovation and Research Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไทยยบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 อาสาดำเนินรายการโดยนัฐพลดีอุดควบคุมรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์กุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสินใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิต ท, ที่คิดจะให้ มั มเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ ครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันครับทุกวันศุกร์แบบนี้กับ รายการสุขอาสานะครับวันนี้ครับอยู่กับผมนัทพลดีอุดนะครับพร้อมกับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับงานอาสาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเ m 89.5 เมกกนะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังมีข่าวสารต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเป็นยังไงบ้างกับช่วงของปลายเดือนตุลาคมแบบนี้นะครับต้องบอกว่าประเทศไทยบ้านเรากําลังเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวแล้วนะฮะคุณผู้ฟังก็ต้องรักษาสุขภาพใส่ใจสุขภาพกันมาก น, นะครับวันนี้ครับคุณฟังมาเริ่มต้นกันในช่วงแรกนะครับกับคิดอาสานะครับกับเรื่องราวของจิตอาสาพระราชทานในการรวมพลังเดินหน้าพัฒนาสังคมนะครับด้วยเอกลักษณ์ของคนไทยครับคุณฟังในการเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือกันทั้งในยามทุกข์และยามสุขนะครับทำให้ประเทศไทยของเราเองมีโครงการและกลุ่มจิตอาสาเกิดขึ้นมากมายเพื่อช่วยเหลือดูแลกันในสังคมในแง่มุมต่างๆแล้วแต่ว่าแต่ละกลุ่มจิตอาสา จะมีวัตถุประสงค์หรือ เข็มมุ่งไปทางทิศ ท, ทางใดนะครับหนึ่งในโครงการจิตอาสาที่ถือว่าเป็นมงคลของประเทศและมงคลของชีวิตพสกนิกรชาวไทยที่ได้เข้าร่วมนั้นก็คือโครงการจิตอาสาพระราชทาน904าศวปรรรนะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรรารามาธิบดีศีสินทระมหาวชิราลงกรพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชากาลที่10บนะครับทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสารและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระจอมลและแนวพระจอมลีต่าง ต่างในการบำบัดทุกขและบำรุงสุขให้กับประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามีพระมหาการุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทําโครงการเราทําความดีด้วยหัวใจเมื่อครั้งโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28่สิกรกฎาคม2560เพื่อสืบสารพระชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกิติเบศดมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนชาวไทยแสดงพลังจิตอาสาร ร่วมกับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลบรักษาพระองค์พระราชบริพานหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานราชการต่างๆบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นการกระทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมและผู้อื่นด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมการสร้างสังคมของคนดีเชิดชูคนทําความดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของสาธารณชนนะครับและภาพประทับใจเป็นที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ ก็เมื่อครั้งที่ทรงโปรดก้าวให้เปิดรับสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร ม, มศพเพราะมีพระราชอนุศน์คำหนึงถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาติเบิดมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร ม, มนาถบพิธและทรงรับรู้จากพระราชหาัตถไทยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรักความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยนะครับถือเป็นการรวมพลังความรัก การรวมพลังน้ําใจของปวงชนชาวไทยทุกหมูลเล่าจึงได้พระราชทานพระมหาการุณาที่คุณให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรักน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชการที่9สู่สวรรค์คาลัยในช่วงเดือนตุลาคม2560นะครับมีคนไทยสมัครจิตอาสากันเป็นจํานวนมากเพื่อคอยให้บริการประชาชนหลั่งไหลร่วมงานกันอย่างแน่นหนึ่งนะครับนับจากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับชุมชนและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้น้อมนําพระราชดํารัส และพระราชปณิธานของพระองค์จัดทําโครงการต่างๆอย่างเช่นงานจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายงานพัฒนาศักยภาพผู้นําอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยเตือนภัยฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤตต่างๆและร่วมกันจัดเก็บผักตบชวาวัชพืชขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ําลอกขูดคลองระบายน้ํารวมทั้งทําความสะอาดพื้นที่สาธารนณะวัดบ้านโรงเรียนรวมถึงตลาดชุมชนกันอย่างไม่ขาดสายนะครับ หลังจากที่โครงการผ่านพ้นไประยะหนึ่งครับส่งพระกรุณาโปรดก้าโปรดกรหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตจิตอาสาใหม่เพื่อเชิญไปใช้ในกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทานโดยมีพระราชทานชื่อว่าจิตอาสาพระราชทาน904าศูนวปรอและภาพการ์ตูนจิตอาสาใหม่นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งต่อพวกเราชาวจิตอาสาทุกคนนะครับทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับเครื่องแบบเครื่องหมายหมวก ภาพันคอและบัตรประจำตัวจิตอาสาสีฟ้านะครับซึ่งพระองค์ท่านทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง คุณผู้ฟังครับณเวลานี้โครงการจิตอาสาพระชันทาน9 0สี่วปรรมีสมาชิกมากถึง4ล้านคนนะครับและดําเนินการกิจกรรมต่างๆได้ขยายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและอยู่ในหัวใจของประสบนิกกรทุกคนซึ่งถือเป็นศูนย์รวมใจให้คนไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมคืนกับสังคมนะครับเพราะไม่ใช่แค่การช่วยเหลือผู้อื่นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทําให้ชีวิตมีคุณค่าต่อสังคมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการสร้างความปื้มปิติและสํานึกในพระ มหาการุณาที่คุณแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับช่วงของคนอาสากับเรื่องราวของเด็กไทยจิตอาสาสืบสารพระราชปณิธานในหลวงราชการที่9ก้ากับโครงการเก้าใหม่ชาวดอยครับเพื่อนเอ้ยรุ่นใหญ่อย่างพวกเราอาบน้ําร้อนมาหลายสิปีอย่าไปยอมให้ใครมาหลอกง่ายๆพวกโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยหน้าชื่นอกรมมนักต่อนะัก เตือนใจไวเก๋าต้องรู้เท่าทันสื่อหยุดสักนิดคิดให้ดีถามข้อมูลให้ท่วนทีแล้วตัดสินใจดีๆว่าควรทำตามหรือไม่สนับสนุนรุ่นใหญ่ไวเพ็ดไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยงโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยไไมหิดลพิพิตภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 02 549 3 0 4หหรือที่ w ว w l o t u s r m u t t a c t h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 กลับมากับช่วงนี้ครับกับช่วงคนอาสาครับคุณฟังครับวันนี้คนอาสานะครับนำเรื่องราวของเด็กไทยจิตอาสาสืบสารพระราชปณิธานในหลวงรัชะการที่เก้ากับโครงการเก้าใหม่ชาวดอยนะครับคุณฟังครับต้องบอกว่าปัญหาวิกฤตภัยทางธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการทำลายทรัพยากรป่าไมา้ลุกล้ำพืดิน ลุกล้ำพื้นที่ดินต้นน้ำนะครับรวมถึงส่งผลให้ปริมาณน้ําจากแหล่งธรรมชาติลดลงเรื่อยๆนะครับลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคนะครับและเกิดปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้าในการทําการเกษตรกรรมซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากนะครับและนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีนะครับด้วยปัญหาเหล่านี้ถือเป็นวาระสําคัญแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาการลุกล้ําเขตพื้นที่ป่าของชาวเขานะครับโดยปัญหาที่ ขึ้นจึงเกิดเป็นที่มาของโครงการก้าวใหม่ชาวดอยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบชาวเขาเพื่อให้ชาวเขาเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ลุกล้ำพื้นที่ป่าพัฒนาด้านชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตต่างๆนะฮะรวมถึงการสร้างไรายได้แก่ครัวเรือนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับโดยการลดความเหลื่อมล้ำของปัญหาทางสังคมลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานของชาวเขารวมถึงลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําของ ประเทศด้วย ค, คุณชาวินอัศวะเศตะกุลนะครับอายุ17ปีนะฮะเด็กไทยจิตอาสาจากโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนาที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหานี้ได้เล่าว่าโครงการก้าวใหม่ชาวดอยถือเป็นโครงการที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนชาวเขาบ้านแม่จอนตาบลเชียงดาว อ, อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นชาวเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงเป็นการปลูกจิตสํานึกให้ชาวบ้านเนี่ยได้ห่วงแหนผื้นป่าและสามารถพึ่งพ ได้นะครับรวมถึงสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพจากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิน่นทั้งพร้อมกับรักษาสืบสานวัฒนะธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาหลากหลายชั่วอายุคนให้ยังคงอยู่ต่อไปภายใต้สังคมโลกในปัจจุบันนะครับโดยโครงการก้าวใหม่เชาดอยจะมีโครงการแบ่งย่อยเป็น3โครงการนั่นก็คือโครงการทำฝายเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคในฤดูแรงนะครับรวมถึงโครงการฟื้นฟูที่ดําเนินร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสีรา น, นา ได้ปลูกไม้ยืนต้นประจำถิ่นได้แก่ไม้สักไม้มาค่าแต้ไม้ตะเคียนทองไม้ชิงชันโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านแม่จอนและเจ้าหน้าที่ของภาครัฐทุกภาคส่วนด้วยนะครับและยังโครงการที่3ก็คือโครงการการ การสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนแม่จอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความเป็นอยู่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยที่ผ่านมานะครับโครงการนี้ได้เริ่มต้นโครงการไปแล้วนะครับด้วยการสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในฤดูแล้งโดยเน้นที่การมีส่วนร่วมของชาวบ้านเป็นสาคัญ เพื่อให้หมู่บ้านเนี่ยมีความรู้สึกเป็นผู้สร้างเป็นเจ้าของและห่วงแหนทรัพยากรของพวกเขาเองนะครับหลังจากการสร้างฝายเก็บน้ำแล้วชาวบ้านก็ได้มีน้ำใช้นะครับได้มีการเริ่มปลูกป่าทดแทนเพื่อซ่อมแซมป่าต้นน้ำที่ถูกทำลายไปซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างแหล่งน้าในชุมชนนะครับ ซึ่งโครงการเองก็ได้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านด้วยการปลูกถั่วดาวอินคาซึ่งเป็นพืชชนิดใหม่ที่นิยมในหลายปีนี้นะครับด้วยสรรพคุณทางยาและประโยชน์ที่อยากที่หลากหลายสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่เป็นอย่างดีไม่เพียงแค่การส่งเสริมด้านการเพาะปลูกเท่านั้นนะครับทางโครงการเองยังได้ให้ความรู้ในการคั่ว หัวดาวอินคาเพื่อในการจัดจำหน่ายช่วยออกแบบบรรจุภัธุ์ต่างๆนะครับออกแบบโลโก้รวมถึงเป็นผู้หาตลาดและช่องทางการนำสินค้าของชาวบ้านไปจำหน่ายซึ่งทุกวันนี้เองนะครับนอกจากชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้จากฝายที่จัดทำขึ้นมารวมถึงจาก ป่าที่ปลูกทดแทนส่วนที่ถูกแผ่วผางไปนะครับชาวบ้านเองยังได้มีการจําหน่ายถั่วดาวอินคาเพิ่มอีกทางเมื่อมีน้ําที่สามารถใช้ในการเพาะปลูกทําให้มีผลผลิตเพิ่มมีไรายได้จากถั่วดาวอินคาชาวบ้านก็ไม่จําเป็นต้องย้ายลกรากหินฐานไปที่อื่นหรือแผ่วผางป่าเพิ่มเติมนะครับขณะที่นายสุขุมภัยพนาสัมพันธ์ชาวเขาหมู่บ้านแม่จอนให้สัมภาษณ์ น, นะครับว่าต้องขอขอบคุณน้องชวินเองที่เข้ามาให้ความรู้และช่วยพัฒนาชุมชนของพวกเขาเองที่ผ่านมานะฮะหน้าแรงเองจะไม่มี น้ในการใช้อุปโภคบริโภคไม่สามารถปลูกผักไว้ทานหรือกระทาการเพาะปลูกใดๆไ ด, ๆได้จึงต้องออกไปรับจ้างนอกหมู่บ้านนะครับบางครั้งต้องไปครั้งคืนเป็นสัปดาห์หรือเป็นแรมเดือนเลยทีเดียวหลังจากที่โครงการก้าวใหม่ชาวดอยเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาเองก็มีน้ําในการอุปโภคบริโภคเหลือเพียงพอในการเพาะปลูกในครัวเรือนอีกด้วยนะครับรวมถึงคนในหมู่บ้านเองก็สามารถมีน้ําใช้ในฝ่ายได้อย่างทั่วถึงทําให้มีความอยู่ดีกินดีขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือชาวบ้านในชุมชน แม่จอนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการอุปโภครวมถึงการบริโภคด้วยนะครับรวมถึงสามารถทำการเกษตรในฤ ด, ดูแล้งได้นะครับมีพื้นที่สวนกลางไว้พักผ่อนหย่อนใจร่วมกันในหน้าร้อนและยังมีต้นไม้ที่ปลูกทดแทนสำหรับอนาคตจะเป็นตัวยึดหน้าดินไม่ให้เกิดดินถล่มในหน้าฝนได้นะรรวมถึงเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่หมู่บ้าน รวมถึงพื้นที่ต้นน้าแม่ปิงให้เป็นสายทานสําคัญของภาคเหนืออีกด้วยนะครับมาต่อกันกับอีก1กิจกรรมสั้นๆในช่วงนี้นะฮะกับกิจกรรมเพศัสอาสาชุมชนยั่งยืนด้านสุขภาพและเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ฟังครับคณะเภสัชศาสตรน์นําโดยรองาศาสตราจารย์ดรเภสัชกรสุ ร, สรสาศักดิ์เสาแก้วคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์นะครับพร้อมด้วยรองคณะบดีอาจารย์และนิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพศัสอาสาชุมชนยั่งยืนณโรงพยาบาลสงศ เสริมสุขภาพตําบลเชียงบานอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะครับด้วยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้กับชุมชนเนี่ยได้เกิดการใช้ยาสมุนไพรและเครื่องสอําอางอย่างปลอดภัยและสมเหตุสมผลและเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชนนะครับอีกทั้งยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับโดยภายในงานมีการสาธิตการสอ น, ก า, สอนการทําน้ําไพยจากสมุนไพรและการสอนทําแฮนด์ครีมจากข้าวไรเบอร์รี่นะครับด้าน รองศาสตราจารย์ดเรเพชกรสุรศักดิ์เสาแก้วคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากล่าวนะครับว่าการบริการวิชาการให้กับชุมชนถือเป็นภารกิจหลักของทางคณะเองนะครับโดยเฉพาะการได้นําบุคลากรที่มีความรู้ด้านยาสมุนไพรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางมาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับชุมชนที่นี่ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้คนในชุมชนจะได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันรวมถึงสร้างมูลค่าให้กับครอบครัวรวมถึงชุมชนนะครับอีกทั้งยังเป็นการรวมกลุ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชนอีกด้วยนะครับด้านดรอดิศักอํานวยพรเลิศนะครับอาจารย์จากคณะเพสัศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับผู้ดีเริ่มโครงการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเครื่องสําอางอย่างสมเหตุสมผลกล่าวนะครับว่า นอกจากกิจกรรมนี้นะครับผู้คนในชุมชนจะได้รับความรู้ด้านการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรความรู้เกี่ยวับเรื่องของการใช้ยายอย่างสมเหตุสมผลแล้วนะครับทางคณะเองก็ได้ร่วมกันทํางานกับเครือข่ายวิชาชีพเพสกรรมเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบนะฮะยังคอยติดตามในเรื่องของการบริหารให้ความรู้ด้านสุขภาพด้านการเลิกบุหรี่ของผู้คนในชุมชนที่นี่นะครับซึ่งปัจจุบันผู้คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการลดการสูบบุหรี่ลดลงถึง30คน ะะและเลิกขาดจากการสูบบุหรี่ถึง12คนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาและให้ความรู้ในเรื่องของโทษหรือวิธีการแก้ไขปัญหาในการเลิกบุหรี่ของคนในชุมชนนะครับซึ่งทางคณะ เองนะฮะก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานร่วมกับชุมชนพร้อมกับขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้เป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการหนึ่งคณะ1โมเดลของมหาวิท ย, ยาลัยพะเยานะครับเพื่อตอบโจทย์การบริการวิชาการให้กับชุมชนและการบรูรณาการการทำงานร่วมกัน ร, ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนดังปณิธานของมหาวิท ย, ยาลัยพะเยาที่ว่าปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนครับ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 ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2562ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอฟคลับถนนสุวินทวงศ์กรุงเทพมหานครรายได้สมทบทุนร่วมสร้างหอพระพุทธพิริยะมงคลพระพุทธรูปประจำ ม, มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราช ม, มงคลทั ญ, ญบุรีส่งเสริมสวัสดิการมหาวิทยาลายัยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสร้างความสมามัคคีในหมู่คณะ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 วันนี้ภารกิจจิตอาสานำเรื่องราของการเชิญชวนไปร่วมบริจาคโลหิต1คนให้3คนรับนะครับคุณฟังครับแม้ว่าวิทยาการทางการแพทย์ในปัจจุบันจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถหาสารประกอบใดที่มาใช้ทดแทนโลหิตได้ดีนะครับฉะนั้นนะฮะในเมื่อยามที่ร่างกายเสียโลหิตจากอุบัติเหตุผ่าตาดัดหรือโรคที่จำเป็นต้องรักษาด้วยโลหิตจึงจะเป็นต้องรับบริจาคโลหิตจากบุคคลหนึ่งเพื่อนําไปให้อีกบุคคลหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือชีวิตให้ทันท่วงทีนะครับคุณฟังครับ ต้องบอกว่าการบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จําเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยนะครับซึ่งไม่จำไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคเพราะร่างกายแต่ละคนจะมีปริมาณโลหิตประมาณ1 7บเถึงสิแก้วน้ําแต่ร่างกายใช้เพียง1 5บหถึงสิแก้วเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือ น, นั้นสามารถบริจาคให้กับผู้อื่นได้นะครับด้วยโลหิตสามารถบริจาคได้ทุก3เดือนนะครับเพราะเมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดนั้นขึ้นมาแทนให้มีปริมาณโลหิตได้ ร่างกายเท่าเดิมนะครับถ้าไม่ได้บริจาคร่งางกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวเพราะหมดอายุออกมาทางปัสสาวะอุจจาระรวมถึงกระบวนการการบริจาคโลหิตตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนจนกระทั่งบริจาคโลหิตเสร็จสิ้นนั้นใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะเลือกเจาะเส้นโลหิตดําบริเวณแขนแล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติกตั้งแต่3 5 0ร้อถึงสี่มลตรหรือว่าซีซีนะฮะขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวของผู้บริจาคด้วยนะครับซึ่งความจําเป็นในการ ต้องการใช้โลหิต 77% ที่ได้รับบริจาคถูกนำไปใช้เพื่อทดแทนโลหิตที่สูญเสียไปในภาวะต่างๆอาทิอุบัติเหตุผ่าตัดโรคกระเพาะอาหารการขอดบุตรนะฮะอีกทั้ง 23% เป็นการนำโลหิตนี้ไปใช้ในเรื่องของโรคเลือดเช่นโรคโลหิตจางโรคธาลัสซีเมียเกล็ดโลหิตต่ำอีโฟพีเลียนะครับ นำไปใช้กับโลกเหล่านี้นะครับการที่ได้บริจาคโลหิตนะครับจึงนับเป็นการช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่และกลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับซึ่งใครสนใจในการบริจาคโลหิตนะครับมีคุณสมบัติมาฝากด้วยนะครับว่าคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตมีอย่างไรบ้างนะครับต้องเป็นคนที่อายุตั้งแต่17ปีบริบูรณ์ถึง70ปีนะครับสุขภาพร่างกายสมบูรณ์โดยผู้บริจาคโลหิตนะครับอายุ17ปีบริบูรณ์ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง สำหรับผู้บริจาคโลหิตประจําสามารถบริจาคได้จนถึงอายุ70ปีส่วนผู้บริจาคที่อายุมากกว่า60ถึง65ปีจะบริจาคได้ทุก3เดือนนะครับบริจาคได้ที่ศูนย์บริจาคโลหิตและหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สําหรับผู้บริจาคที่มีอายุมากกว่า65ถึง70ปีบริจาคได้ทุก6เดือนนะครับบริจาคได้เฉพาะที่ศูนย์บริการโลหิต เพราะต้องมีการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดก่อนบริจาคนะครับและที่สําคัญต้องมีน้ําหนักตัวมากกว่า45กิโลกรัมขึ้นไปไม่เจ็บป่วยหรืออยู่ในระหว่างการรับประทญญานยารักษาโรคอย่างเช่นยากแก้อักเสบและต้องหยุดยามาแล้วกว่าไม่น้อยกว่า7วันนะครับไม่มีประวัติการติดเชื้อไวรัส ต, ตับอักเสบบหรือไวรัสตับอักเสบ C ไม่มีประวัติการเป็นโรคหัวใจโรคตับโรคปอดโรคเลือดโรคมะเร็งหรือมีภาวะโลหิตออกง่ายและหยุดยากไม่เป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคมาเรียนะฮะ ให้งดบริจาคโลหิตเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีไม่อยู่ในภาวะน้ำหนักลดอย่างวดเร็วด้วยไม่ทราบสาเหตุในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาไม่ทำการสักหรือเจาะผิวหนังอย่างเช่นเจาะสะดือเจาะจมูกนะฮะภายในระยะเวลา12เดือนไม่มีประวัติ ยาเสพติดหรือผลโทษในระยะ3ปีผู้บริจาครอยหิต ท, ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่งดบริจาครอหิต6เดือนนะครับผู้บริจาครอยหิต ท, ที่ได้รับการผ่าตัดเล็กงดการบริจาครอยหิต7วันหากได้รับรอหิตจากการรักษาให้งดการบริจาครอยหิต1ปีนะครับไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่นอนของตนมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเป็นต้นนะครับสตีหลังคลอดให้นมบุตรทแท้งบุตรต้องเว้นการบริจาครอหิตอย่างน้อย6เดือนนะครับสตีที่อยู่ระหว่างมีการมีประจําเดือนสามารถ สามารถบริจากรงหิตได้มีประจำเดือนไม่มากกว่าปกติร่างกายทั่วไปสบายดีไม่มีอาการอ่อนเพลียขึ้นอยู่กับชนิดของแพทย์ผู้คัดกรองด้วยนะครับโดยข้อมูลจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ชัยเวสนุชประยุนผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยและรักษาการผู้อในวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเปิดเผยนะครับว่าโลหิตที่มีคุณภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งในรูปของโลหิตนะฮะส่วนประกอบของโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตนะครับโดยองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการใช้โลหิตแต่แต่ละประเทศไว้ว่าควรมีโลหิตและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ ในแต่ละประเทศคือสเเซนของจํานวนประชากรสําหรับประเทศไทยในปี2 5ง2เองนะครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีเป้าหมายในการจัดหาโลหิต2 5งล้านหแสนยูนิตต่อปีโดยในเขตกรุงเทพมหานครต้องจัดหาโลหิตให้ได้อย่างน้อย7จ็ดแสนยูนิตต่อปีและอีก1นล้านแปดแสนยูนิตต่อปีเป็นการจัดหาในส่วนของภูมิภาคด้วยปัจจุบันปริมาณการเบิกใช้โลหิตเพิ่มขึ้น8 1 0ถทุกปีนะครับด้วยเหตุนี้ครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยจําเป็นต้องรณรงค์การจัดหาลหิต คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในแต่ละปีนะครับซึ่งหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้บริจักโลหิตที่มีคุณภาพได้แก่กลุ่มนักศึกษาเยาวชนเพราะเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและโลหิต มีคุณภาพนะครับอีกครั้งยังสามารถบริจาคได้อย่างต่อเนื่องยาวนานหากดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงอยู่สมเสมอที่สำคัญพบว่ามีนักศึกษาและเยาวชนจำนวนไม่น้อยยังไม่เคยบริจาคโลหิตนะครับทางศูนย์บริการโลหิตสภาการชัดไทยเองจึงขอรับบริจาคโลหิตนะครับใครที่สนใจบริจาค ก, ก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริจาคโลหิต ทั่วประเทศเลยนะครับรวมถึงที่สภาการชาตดไทยด้วยนะครับคุดฟังครับนี่คือกิจกรรมดีๆที่นำมาชวนคุณฟังไปบริจาคโลหิตในช่วงของภารกิจจิตอาสากับกิจกรรม ร่วมหมดจากโลหิต1คนให้3คนรับนะครับคุณฟังครับและหมดเวลาของรายการสุขอาสากันแล้วนะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกำลังพบกับรายการสุขอาสาและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับงานอาสาคนอาสากิจกรรมอาสาต่างๆในรายการสุขอาสาแบบนี้นะครับทุกวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับ fm 8 9 5สิบเก้าจุานะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังครับ ลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ Sweet FM ฟแอมแปดสิบเก้วิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทรศูนย์สองหก